ขานมีแหละสังขารสิ่งประกอบสังขารเป็นสิ่งประกอบสังขารสิ่งประกอบรูปธรรมก็สิ่งประกอบนั่นแหละดินน้ำลมไฟสิ่งประกอบสิ่งใดที่ประกอบกันเข้ามาแล้วท่านเรียกว่าสังขารสังขารสังขารสิ่งประกอบ หลายๆสิ่งประกอบกันดินธาตุดินธาต้น้าํนาธาตลมธาตไฟประกอบกันเป็นธาตุนี่เป็นสังขารเป็นกองสังขารรูปสังขารไม่เคยไม่เคยคงที่สังขารไม่เคยเที่ยงสังขารไม่เคยคงที่สังขารทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวพระนิพานไม่ใช่สังขาร นอกนั้นเป็นสังขารทั้งนั้นสามเดนโลกธาตุเนเป็นสังขารทั้งนั้นรูปธรรมก็สังขารนามธรรมจิตก็สังขารเนี่ยจิตที่นอกเหนือไปจากพระนิพพานเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสังขารคือส่วนประกอบสิ่งที่ไม่เป็นหนึ่งเดียวสิ่งนั้นแหละทัศนว่าสิ่งมีส่วนประกอบสิ่งที่เป็นกองสังขาร ขึ้นชื่อว่ากองสังขารและมีการเปลี่ยนแปลงเราดูไปภายในจิตของเราทีเปลี่ยนแปลงเร็วมากเปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตเปลี่ยนแปลงจนเราตามมันไม่ทันสติปัญญาตามไม่ทันจิตคือผู้รู้ เ, เพราะผู้รู้มก็เป็นธาตุที่เรียกว่วาธาตุรู้ธาุรู้หรือมโนธาตุมโนธาตุธาตุารู้ เป็นนามธรรมเป็นนามธรรม้นน า, มรรมารู้นิมยิยของมีอยู่ดั้งเดิมในโลกเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่พัฒนามาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอวิชชาอวิชชาอวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารน่นอะอวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารความไม่รู้ความไม่รู้ตัวนี้เนี่ย มันมีทั้งความไม่รู้ที่ประเจากสติสัมปชัญญะมันไม่รู้เบื้องต้นของมันอีกตั้งหาเบื้องต้นของมันไม่ปรากฏไม่รู้ว่ามันพัฒนามาตั้งแต่กับการปุเรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้อันนี้คือไม่รู้อย่างหนึ่งไม่รู้อีกอย่างหนึ่งก็คือหลงลืมโมหะความหลงความลืมความไม่รู้เท่าทันก่อสังขารคือตัวโมหะนี่ความหลงความลืม คือความไม่รู้อวิชชาไม่รู้ไม่รู้การชำระสังขารนี้ให้เป็นวิสังขารคือไม่มีส่วนประกอบที่ทันเรียกว่าสังขารไม่มีส่วนประกอบให้เป็นสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารการชำระสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดสังขารไม่ให้มีสังขารก็เลยเป็นเหตุต้องพัฒนาผู้รู้ของเราให้รู้ให้เป็นวิชชา ให้เป็นวิชาเป็นผู้รู้วิชาเมื่อวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็ดับเมื่อความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็ดับความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็ดับท่านจึ ง, จงให้พัฒนาให้เกิดวิชาตัวพัฒนาตัวปัจจัยพัฒนา้เกิดวิชาก็คือสติก็คือสัมผััญญะนี้เองสติคือสัมผัสัญญาคือขณะของจิต ที่ชัดเจนที่สุดในขณะหนึ่งในขณะหนึ่งหนึ่งในจิตของเราเราย้อนมาดูเขณะไหนที่เรามีเจตจำนงเต็มแรพร่รอยเปอร์เซ็นตเฉพาะหน้าเรานั่นแหละนั่นแหละคือตัวความรู้คือตัวความเด่นมันจะมีเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะแต่ถ้าหากเราขาดการดำรงขาดการต่อนเนื่องนี่มันก็แวบไปแล้วะมันดึงไปอย่างนี้แล้วดำรงให้อยู่ในอารมณ์เดียวแบ มันดึงไปอย่างนึงแล้วแวบไปดึงไปอย่างนึงแล้วเราดูไปไม่ยากเราก็ดูดิเรานั่งภาวนาเราดูไปไม่ยากนอกจากเราทําเราดัดกันจนเชื่องจนชินจนอยู่มัดละคือจิตสงบจิตมีสมาธิจิตตั้งมัน่นจิตมีกําลังนั่นถึงจะถึงจะถึงว่าดัดได้ดัดอ้เจ้าตัวโมหานั้นได้ที่มันคอยดึงจิตไปใช้อย่างอื่นขโมยดึงจิตไปใช้อย่างอื่น แทนที่จิตของเราจะอยู่สว่างรู้ตลอดสติสัสมปชัญญะเนี่ยแน่นิ่งรู้ตลอดมันมันไม่อยู่เป็นอนเราฝึกหัดดัดกันจนพอแรงกว่าจะอยู่ได้จิตกว่าจะสงบได้เมื่อจิตสงบก็เป็นตัวของตัวเมื่อเป็นตัวของตัวมันก็ทําลายพิษสงของอวิชชาพิษสงของอวิชชาก็คือมันชอบผันจิต ไปนึกไปปรุงไปนึกไปคิดไปปรุงตามอิสระเสรีของมันตามอำนาจของอวิชชานะตามอำนาจของความหลงของผู้หลงแต่ในนั้นมันมีตัวเจ้ากี่เจ้าการคือตันหาความดิ้นรนความทยานของจิตนะั่นนะั่นเป็นตัวผลักดันเป็นตัวผลักดันเป็นเหตุปัจจัยภายในของมันที่มันผลักดันตัวอวิชชานะตัวที่ผลักดันก็คือจิตดิ้นรนจิตทะเยอทยานอยาก อยากไม่มีที่จบอยากไม่มีจุดจบอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินอยากได้ฟังอยากลมดมกลิ่นดมดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสอยากทุกข์ทุอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสอยากเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เปล่เปล่าวาดมโนภาพสารพัดเพื่อจะได้ประสบพบเห็นอย่างนั้นประสบพบเห็นอย่างนี้วาดมโนภาพอย่างนั้นวาดมโนภาพอย่างนี้นี่คือความดิ้นซ่านของมันไม่รู้จุดจุด ตัวดันตัวตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวเดียวเป็นตัวดึงเป็นตัวดันเป็นตัวผลักออกมาพร้อมกับขณะของจิตแต่ละขณะขณะขณะนี่คือความอยากคือตัณหาตัณหาคือความอยากท่านใช้คำว่าความอยากเพราะมันไม่คงที่มันอยากหรือจะว่ามันหิวก็คือมันหิวมันหิวหิวด้วยความอยากอยากด้วยความหิวหิวด้วยความอยากอยากได้อยากดี อยากอิม่มอยากเสพอยากสมอยากสารพัดนี่คืออํานาจของตัณหาเป็นเป็นผู้มีบทมีบาตเป็นผู้ก่อรกรากให้เกิดโมหะเป็นผู้ก่อรกรากให้เกิดอวิชชามันมาพร้อมกับผู้รู้ผู้รู้ดั้งเดิมของเรามันมาพร้อมกันเพราะผู้รู้ดั้งเดิมของเรามาแบบไม่บริสุทธิ์เลยมาแบบปนเปื้อนมาเฮปนด้วยปนกับกิเลส ปนเปื้อนกับกิเลสกิเลสปนเป็นสิ่งปนเปื้อนในใจของเรา mm. เพราะฉะนั้นเราจะชะล้างสิ่งที่ปนเปื้อนเหล่านั้นได้เราจะต้องดำรงผู้รู้นี่แหละให้รู้ให้มีความสว่างรู้ไม่ให้มีความมืดมกักคุมจิตดวงนั้นเวลามาแสดงบทบาทอะไรมาในเมื่อเรารู้อยู่มันก็เป็นไปตามใจที่ เราคาดเราเดาดำริให้จิตได้รับความสงบให้จิตให้จิตได้รับความรู้ให้จิตได้เข้าถึงหลัสกสัจจะสัจธรรมไม่งั้นพาหนึกพาคิดไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างอื่นไปนี่จึงเป็นเหตุต้องฝึกต้องฝืน ต, ต้องอบต้องรมผู้รู้เหล่านี้ด้วยเหตุที่เราไม่รู้ว่ามันก่อพิดก่อภยัยก่อทุกข์ก่อโทษเป็นเหตุให้เราทุกเป็นเหตุให้เราเดือดร้อน สิ่งที่เรากระทบกระทั่งกันในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเบื้องปลายบานปลายเป็นของตื้นๆเป็นของของอยู่ปลายปลายแต่มันมีรากมีเหงาลึกๆที่มันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาผลิต ร, ริงเหล่านี้ออกมาเป็นระดับของรากของเหงารากแก้วรากเหงาที่มันผลิตออกมาเราเห็นแต่ใบเห็นแต่ต้นเห็นแต่ใบเห็นแต่ลำ เห็นแต่เครือมันอยู่บนดินนะตัวมันมันเป็นรากเป็นเง้าฟังอยู่ในดินนะมันก่อรกก่อรากมากนั่นนะคือตัวอวิชชานะนะอวิชชาคือตัณหาตัณหาคืออวิชชาอวิชชาคือกิเลสกิเลสก็คืออวิชชากิเลสก็คือตัณหาตัณหาคือกิเลสรวมลงแล้วก็คือสิ่งทําให้ใจเศร้าหมองทั้งหมดเป็นไฟก่อกวนเป็นไฟ ให้จิตฝักไฝ่ในสิ่งที่ไม่เกิดสาระแก่นสารถ้าเป็นการดิ้นรนสแสวงหาก็สแสวงหาสิ่งที่มีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการเกิดแก่เจ็บตายสแสวงหากามวัตถุวัตถุการเคลื่อสกามทั้งหลายทั้งปวงดิ้นรนสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึง ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้สิ่งนี้มีศัจธรรมมีแนวมีแถวการนึกการคิดการปรุงมีอนุเป็นเหตุเป็นปัจจัยกับอันนี้มีอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยกับอันนี้อันนี้เป็นเหตุเป็นเป็นปัจจัยกับมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีสิ่งนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันอยู่ข้างในเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนผลักดันออกมาเป็นเส้นเป็นสาย เพราะฉะนั้นท่านจึงไล่สายเกิดสนะายเกิดแท้ที่จริงมันเกิดในหัวใจมันเกิดปุ๊บเดียวนั่นแหละแต่พอไปไล่เป็นเหตุ Terror, เป็นปัจจัยเพื่อเป็นการมาศึกษาเกิดความเข้าใจท่านว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปก็คือกายกับใจนั่นแหละนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกนะะก็คือกาย ก็คือกายภายในรูปภายนอกอตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธมรมณนิอายัตนาภายในอายัตนาภายนอกเมื่อมีอายัตนาภายในอายัตนาภายนอกจิตมันก็ออกมาทางตาจักขุจักขุทวานประตูประตูทวานจักขุทวานโสตทวานคานาทวานสิวหาทวานกายะทวานมะโนทวาน เป็นประตูเป็นช่องเป็นช่องที่ผู้รู้มันออกนะมันออกมารับรู้มันออกมาแสดงความรู้ให้ปรากฏทางตาเนี่ยเกิดความรู้ทางตาสัมผัสมาทางตาทางตานี้เป็นรูปมันมีประสาทประสาททารุปเกิดขึ้นมารองรับทําให้เกิดการเห็นโดยที่แท้จริงตาไม่ใช่เป็นผู้เห็นแต่ผู้รู้เป็นผู้เห็น ท่านชื่เรียกว่าจักขุ่วิญญาณจักขุ่ก็คือตาวิญญาณคือรู้แจ้งรู้แจ้งทางตาโสตะวิญญาณรู้แจ้งทางหูคานะวิญญาณรู้แจ้งทางจมูกสิวหาวิญญาณรู้แจ้งทางลิ้นมันก็เป็นของคู่คกันลิ้นก็คู่กับรสนะจมูกก็คู่กับกลิ่นเสียงก็คู่กับหูรูปก็คู่กับคู่กับตา ผู้ทำงานคือผู้เดียวนั่นแหละคือใจผู้เดียวใจดวงเดียวนั่นแหละมันแสดงออกมาในในเครื่องต่อที่แตกต่างกันเครื่องต่อที่เป็นตาไปต่อกับรูปเครื่องเครื่องต่อที่เป็นเสียงหูไปต่อกับเสียงเอาหูไปดูรูปก็ไม่ได้เอาตาไปฟังเสียงก็ไม่ได้มันทำหน้าที่ของไข่ของมันเอาลิ้น ไปรู้เสียงก็ไม่ได้เอาลิ้นไปสัมผัสกลิ่นก็ไม่ได้ต้องจมูกสัมผัสกลิน่นผัดสะเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเอาอย่างอื่นไปสัมผัสก็ไม่ได้มันทําหน้าที่ของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ตัวที่เป็นเจ้าเป็นจอมของมันอเป็นตัวพลังงานเป็นตัวสร้างไปสู่ภาวะเหล่านี้ก็คือใจท่ารู้คือผู้รู้นี่พวกเรามีอยู่ด้วยกันทุกคน ถ้าเราหันมากำหนดจดจ่อดูนี่แหละคือของจริงที่เราควรศึกษาเราศึกษาสิ่งเหล่านี้นี่แหละศึกษาปัจจัยพิดกจริงแหละของจริงที่เราคลุกคลีตีมองอยู่ด้วยกันนี่แหละสายเกิดปัจจัย เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดพัทธะเห็นไหมพัทธะคือการสัม ผ, สผัสผัทธะแปลว่าการสัมผัสตาไปเห็นรูปท่านก็เรียกว่าจักขคู่สัมผัสหูไปได้ยินเสียงท่านเรียกว่าโสตสัมผัสจมูกลิ้นกายไปไปกระทบกายสัมผัสใจน้อมนึกอารมณ์ข้างในท่านก็เรียก เรียกว่ามาโนสัมผัสเรียกสัมผัสก็ได้เรียกกระทบก็ได้มันไปสัมผัสมันไปกระทบคือนี่คือเหตุคือเหตุคือปัจจัยให้เกิดธรรมคือเหตุคือปัจจัยให้เกิดกิเลสเหตุปัจจัยให้เกิดธรรมก็คือตรงนี้เหตุปัจจัยให้เกิดกิเลสก็คือตรงนี้นี่แหละคือเส้นสายงานของมันถ้าอยู่ในการดํางบริให้เกิดความเป็นธรรมมันก็ต้องอาศัยสติอาศัย <daha> สัมปชัญญะอาศัยสมาธิ มากำหนดจดจ่อพิจารณาเห็นตามหลักความเป็นจริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดธรรมแล้วถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดกิเลสขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดการกําหนดรู้ดิ้นรนตามอํานาจของความอยากที่เรียกว่าติัญหาตันหาตันหาทั้งรุ่นตันห า, นห า, ท, นนหาทั้งร้อยตันหาพาดิ้นรนเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเนี่ยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุ อาศัยปัจจัยเหล่านี้มันพลิกจากอย่างหนึ่งมาเป็นอีกอย่างหนึ่งมืนพลิกจากธรรมมามาก็มาเป็นกิเลสพลิกจากกิเลสมาก็มาเป็นธรรมมาเส้นสายอันเดียวกันนี่แหละเราดูที่เป็นไปได้ไหมเราพิจรนารณาดูตามหลักอันนี้เป็นไปได้ไหมพัทธะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาแน่ยินดียินรด้แหละพอไปกระทบปั๊บยินดียินร้ายห ร, รือไม่ ก, ก็เฉย ตามหลักทเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาเวทนาแปลว่าความเสวยแปลว่าแปลว่าการรับร uh ู้การรับรู้การเสวยใจเสวยใจกินอารมณ์ใจกินอารมณ์นั้นๆั้นเรียกว่าเสวยเวทนาคือการเสวยอารมณ์สุขเวทนาทุกขเวทนากาย กายมีความสุขมีความเบามีความอ่อนนิ่มมีความอ่อนโยนสะวกสบายเป็นสุขท่าเรียกสุขเขเวทนาถ้าใจมีความสุขท้าเรียกว่าโสมนัสสวีธนาตามภาษาศัพท์ท่านเรียกโสมนัสสวทนาถ้ากายไม่สบายไม่คล่องตัวไม่พอดีหนาเกินไปร้อนเกินไปทุกข์เกินไปเจ็บแค่ได้ป่วยเป็น ทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้เป็นเหตุว่าต้องต้องอดต้องทนไม่มีใครชอบต้องอดต้องทนเช่นอย่างการเจ็บการป่วยการปวดปวดจนอดเลอะอดเลอะทนจนตายเนี่ยทุกขเวทนาแต่ถ้าเป็นทางใจท่านเรียกว่าโทมนัสโศวทนาทุกใจโทมนัสโศวทนาแปลว่าทุกใจอุเบคาเวทนา คือกลางกลางอุเบกขาแปลว่าใจวางเฉยใจเป็นกลางๆลาอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาก็คือไม่สุขจนเกินไปไม่ทุกจนเกินไปเราก็เลยชี้ชัดไปที่ว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกก็ไม่ใช่เป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาเพื่อที่จะเอียงซ้ายเพื่อที่จะเอียงขวาเพื่อที่จะเอียงไปสุขแล้วก็เพื่อที่จะเอียงไปทุกขถ้าเป็นทางใจก็เพื่อเพื่อที่จะเอียงไปโสมนัส ยินดีเพื่อเพื่อจะเอียงไปโทธมันนั้นคือยินร้ายนี่มันเล่นมันไล่ามาเป็นสายสายถ้าเป็นเรื่องของเกเรแล้วเป็นเรื่องที่มาผูกผูกมัดผูกพันเป็นกาะเป็นเหตุก่อสมุทรไทยเกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วก็สิ่งที่ตามมาสิ่งที่เราร้อนตามมาคือกองทุกกองโทษราคะตัณหาสารพัดมันไล่ามาเป็นเส้นเป็นสายอยู่อย่างนี้นี่เราดูมาที่ของจริงเราจะเห็นเราประมวลสรุป หัดดูหัดย้อนหัดนึกหัดคิดอยู่ข้างในนี่เราเราจะคล่องจะคล่องอยู่ในกายในใจของเราแต่ข้างนอกนั้นเป็นตำราเราศึกษาดูธรรมบทนั้นธรรมบทนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็พปชี้มาข้างใ น, นชี้มาข้างในแล้วก็มาเกาะอยู่กับข้างในมาพันกันอยู่ข้างในภาคปฏิบัติก็คือภาคที่เอามาพันกันอยู่ข้างในในใจของเราพันชะ ชาเอยล้างเอยขัดเอยสีเอยจนเกิดความเป็นเงาเกิดความสว่างเกิดความรอบรู้เกิดความโโรสว่างสวายอยู่ข้างในไม่ถูกอวิชชาคือความมืดความมืดความบอดมันเป็นปริยาอาการของตัวทําให้จิตที่เป็นมนทินที่เป็นเลีตอวิชชาตันหานพ้นจากฤทธิจ์จากเบลีตจากอานาจของมันจิต ดวนั้นก็สว่างโรอจนถึงขั้นอกุปปธรรมแปลว่าไม่กาเริบทำถึงขั้นไหนถึงไม่กาเริบทำจนรู้ว่าหมดหมดจดโดยสิ้นเชิงไม่ไม่กเริบรู้ว่าหมดทาจนรู้ว่าหมดรู้โดยตัวของตัวเองว่ามันหมดหมดจดไม่กาเริบราคาโทสะหมดจดไม่กาเริบราคาโทสะ โมหะโมหะหมายถึงสิ่งที่บทบางละเอียดลึกเข้าไปข้างในมันสว่างยังไม่รอบยังไม่เต็มรอบยังมีโมหะตัวละเอียดมืดตัวละเอียดลึกครอบงำหัวใจโอกาสที่จะพลิกกลับเนื้อกลับตัวสว่างร่ำขึ้นมาตื่นเนื้อตื่นตัวก็มือกับมกอกัเราหลงหลงที่ละเอียดหลงทางที่ละเอียดลึกเข้าไปข้างในนี่คืองาน งานที่พุทธยาท่านบอกต่นสอนมาตรงนี้ศึกษาเสิ่งหรือไล่ถล่มสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้เกิดเห็นช่องเห็นทางเห็นแนวทางของมันพุทธิยาไล่ต้อนขับต้นไอ้พูดที่เป็นเสนียดอยู่ข้างในเนี่ยตัวอวิชชาตันหานกิริยาอาการของจิตตัวที่ดีดดิ้นพาให้เราก่อโกลกองทุกข์มาทับถมัวยใจของเราเนี่ยพุทธิเกิดความรู้เกิดความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นพยายามย้อนมาที่จิตของเราแล้วเราจะ รอบรู้เราจะฉลาดย้อนมาจื น, ition, น, น, นกยนยน็ย้อนเข้ามาเดินนั่งนอนนึกคิดอย่างได้อย่างหนึ่งย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจะทําให้เราฉลาดข้างในรอบรู้ข้างในพิจารณาอยู่ข้างในมีโอกาสดูข้างนอกเราก็ดูเพื่อย้อนเข้ามาข้างในมีมีโอกาสเห็น ม, ม, มีโอกาสได้ยินมีโอกาสกาสัมผัสข้างนอกเพื่อจะย้อนเข้ามาดูข้างในนะพยายามดํารงความบริสุทธิ์ บริสุธิ์ของใจไม่ให้ตันหามันผ่านลูปผาคลำเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยเกิดอุ ป, ปาทานเนี่ยเกิดตันหาเวทนาเป็นปจัจจัยเกิดตันหาตันหานี่เป็นตันหาหมาเกิดความอยากเพิ่มเติมเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตันหตันหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเแต่เวลามันเกิดแป๊บเดียวเนี่ะมันต้องมาไล่เป็นเส้นเป็นสายดอกมันเกิดแป๊บเดียวมันไล่เพื่อให้รู้ที่ไปที่มาของมัน เวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาน่ยดีใจก็ตัณหาเสียใจก็ตัณหาตัณหาผลพาดดิ้นดิ้นผิดดิ้นถูกจนไม่รู้ความเป็นไปของมันว่ามันสักแต่ว่าเป็นอย่างนั้นมันสักแต่ว่าเป็นอย่างนั้นนั่นสัจธรรมของมันเป็นอย่างนั้นเองอยู่อย่างนั้นเองแต่ด้วยเหตุที่เราเข้าไม่ถึงสัจธรรมตัวนี้ใจชอบมันก็ยินดี ใจชังมันก็ยินร้ายใจยินใจยินดีใจยินร้ายใจยินดีก็ใจยินร้ายใจยินดีมันก็คือมันแปลผิดแปลให้เราผิดใจยินร้ายมันก็แปลให้เราผิดมันไม่อักติไม่ชอบมันชังอยากอยู่มันอยากมันอยากแสดงกิริยาการมาแบบไม่ชอบนี่คื อ, อยาก อย่างอีอย่างหนึ่งก็แสดงกิริยาของมาในทางชอบชอบแล้วก็ยึดเข้ามาไม่ชอบแล้วก็ผลักออกไปนั่นมันใช้พลังผลักออกไปไม่ชอบแต่ถ้ามันชอบแล้วพยายามดึงเข้ามาพยายามยึดเข้ามายึดยึดนึกๆกเนื้อคิดเนื้อคิดเนื้อคิดเนือคิดก็เหมือนอย่างเราเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรแล้วเนี่ยื้อชอบแล้วก็พยายามโกยเข้ามาดึงเข้ามาลากเข้ามามากองมาเก็บมาสะสมมาสั่งมาสม มาเก็บมาตุนมาอะไรต่อไรนี่ยคือชอบถ้าไม่ชอบเลยเป็นโกยทิ้งโกยทิ้งโกยทิ้งเอาไปเผาทิ้งเอาไปเผาทิ้งนี่คือมันอยากอันหนึ่งอยากโกยมาอันนึงอยากผลนนกักออกไปนี่ถ้าปล่อยให้ตันหามันเกิดแล้วมันจะมีกิริยาอาการเหล่านั้นถ้าเห็นตาฮะถ้าเห็นศักดิถ้าว่าเห็นหเห็นรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่โดยภาวะของเขาเองเห็นสักดิถ้าว่าเห็นตาเห็นรูป เห็นรคก็สักแต่ว่ารู้ก็ดำรงอยู Chase ่โดยภาวะของเไม่ไปยินดีกับเขาไม่ไปยินร้ายอะไรเขาเขาก็อยู่พอเขาไม่เป็นยินดีอะไรกับเขาไม่ไปยินร้ายอะไรกับเขาเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงก็พอเสียงไม่เห็นมีความจำเป็นที่เราจะต้องไปยินดีกับเสียงและจะต้องไปยินร้ายกับเสียงคลินรถสัมผัสก็เช่นเดียวกันกลายเป็นของอยู่นอกนอกผู้รู้ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้กลายเป็นของ นอกผู้รู้ทั้งหมดแต่ผู้รู้สักดิแต่ว่าไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจเท่านั้นเองโดยเหตุที่อาวิชามันบมดมันบังนะดึงเข้ามาไม่ใช่รู้เฉยๆดึงเข้ามาไม่ใช่รู้เฉยๆดึงเข้ามายินดีก็ดึงเข้ามาไม่ยินดีก็ผลักออกไปนี่คือพลังของตัณหาใน ห, ในหัวใจของเราเราจะเห็นว่าโลกนี้วุ่นวายเดือดร้อนก็เพราะอะไรก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันทํางานอยู่อย่างนี้เลยเราไม่รู้ไม่เข้าใจ รู้วิไปตัดตรงไห น, นมารู้จะไปถอนตรงไห น, นม่นรู้จะอะไรคืออะไรไปอะไรมันมุ่นอยู่ในหัวใจเราไม่เคยสนใจเรื่องสมาธิไม่เคยสนใจเรื่องปัญญาไม่เคยสนใจเรื่องหลักของอัดของทำในหัวใจของเราไม่รู้ไม่เข้าใจนี่แหละอวิชชาบดบังมืดตึบมืดตาใสานี่แหละมืดสติมืดปัญญาเห็นอะไรก็ยึดไปหมดไม่เห็นมีไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าสัจธรรมคืออะไร ภาวะหลเหล่านั้นมันดำรงอยู่ตามภาวะของวันของมันใจเราเข in no? no. ้าถึงได้ไหมเข้าถึงมันละเอียดมากด้วยเหตุที่ใจเราเข้าถึงไม่ได้ใจเราไม่ละเอียดพอสมาธิขัดเกลารไม่พอปัญญาขัดเกลาวไม่พอมันหยาบไม่ทันสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าไม่ทันมันดึงไปแล้วไม่ทันสัมผัสภาพมันดึงไปแล้วสัมผัสภาพมันดึงไปแล้วตัณหา เป็นปจัจจัยเกิดอุปาทานยืดยื ด, ย ด, ยดอุปาทานเป็นปจัจจัยเกิดพบพบเป็นให้ปจหัจจัยเกิดชาติแน่เดินตามหลังมันแล้วอดํมริดํมรีนางนาข้าวบัดสนองตอบให้มันแล้วดํมรีนางนาข้าสนองตอบให้มันแล้วสนองตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องผูกพันทําให้เกิดปัญหาอเกิดปัญหาเกิดปัญหาที่จะต้องมาตามแก้ อนนั้เกิดมาโอ้มีปัญหาที่จะต้องแก้อันนี้เกิดมาโอ้มีปัญหาที่จะต้องแก่เช่นอะไรเช่นร่างกายเกิดมาร่างกายเกิดมามีปัญหาเป็นปัญหาสร้างปัญหาที่เราจะต้องแก่แก้อะไรล่ะแก่หนาวแก่ร้อนแก้หิวเห็นมั้ยลูกมันหิวร่างกายมันอยู่ทนได้ไหมมันหิวมันบกพร่องไปต้องหานุ่นมาให้มันหานี่มาให้มัน ดินรนวิ่งหาเพื่อให้ให้มันได้อยู่ได้กินร้อนว่ะวิ่งหาที่บําบัดเย็นก็วิ่งหาที่บําบัดหิวกระหายก็หาสิ่งมาบําบัดเห็นไหมประชาชนคนสัตว์มนุษย์ในโลกเนี่ยมีใครอยู่เฉยเ อ, อยู่เฉยบ้างไม่มีต้องดิน่นรนทำมาหากินเสวงหาทรัพย์นั่นแหละหาทรัพย์ได้มาแล้วก็ต้องมาอยู่มาทําอยู่มาทํากินต้องมาบริโภค เพื่ออะไรเพื่อบำบัดสิ่งที่มันบกพร่องไปอันนั้นบกพร่องไปอันนี้บกพร่องไปเนี่เป็นปลายสายเป็นเหตุให้เราวุ่นวายอยู่ในโลกเหลียวนีเน่เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้แหละน้องเกิดมาก็มีปัญหาอันนี้เกิดมาก็มีปัญหาอะไรโผล่ขึ้นมามีปัญหามีปัญหาแล้วพยายามแก้ด้วยเหตุที่ไม่ชํานาญไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของมันแก้แทนที่จะเป็นการแก้ก็เป็นการมัด ตั้งใจจะแก้นั่นแหละแต่มันแก้ไม่เป็นแก่ไม่ถูกไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้เงื่อนของมันเรื้ืืืืดึงดึงดึงดึงเรืืแล้วก็ยุ่งไปหมดก็เหมือนกับเราไปรื้อไปกลุ่มได้ที่มันพันกันสอดโซนสอดสายสอดไปสอดมาดึงนู้นดึงนี้ดึงเกาะติดมันดึงดถื่อไปหมดนี่คืออาวิชามันปิดมันบังไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของมันแก้ไม่ถูก นอกจากวิชาที่กุฏิเจ้าท่าสอนแล้วมัน ไ, ไม่มีวิชาใดวิชาอย่างอื่นที่อนุโลมเข้าในหลักศีล ส, สมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าสอนก็เป็นไปได้แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็ไม่เด็เป็นเรื่องเสริมเสริมสิ่งเหล่านี้เสริมสิ่งเหล่านี้ให้มีกําลังให้มีพลังมากขึ้นเสริมความโลภให้ผูเพิ่มผูนทวีคูณมากขึ้นเสริมความกโกรธให้รุนแรงยิ่งขึ้น อำนาจของกิเลสมีแต่เสริมกับเสริมเสริมราคาทันหาจนทําลายใบปวงฆ่าแกงวินาศสันตรชิบหายใบพวงหมดเพื่อได้อย่างใจเพื่อได้สมใจขอได้สนองขอได้ตอบสนองขอได้จางใจนี่คือต้นตอที่ไปที่มาของมันเราพิจารณาอยู่อย่างนี้นี่อยู่บนเส้นทางที่พระเจ้าตนบอกตนสอนท่านแนะนำ พลังที่เราควรสะสมก็คือความสงบนั่นแหละจับอารมณ์อันเดียวให้มันอยู่ให้มันมั่นอยู่มันอยู่ในขั้นบริกรรมกบริกรรมอยู่อย่างนั้นไม่ปล่อยไม่ปล่อยจนกว่ามันจะทิ้งขับริกรรมจนกว่ามันจะรูจนกว่าจิตก็เราจะละเอียดละเอียดไปแล้วมันจะซึมมันจะซักมันจะแทรกเข้าไปข้ามันเองเสร็จแล้วก็มาพลิกมาแผลงมาพิจารณา ตัวพลังสติตัวพลังสัมปชัญญะตัวพลังปัญญานี่แหละอาศัยกิริยาการกระทบนี่แหละเป็นเหตุสร้างพลิกไปอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของกิเลสพลิกไปอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของธรรมการกระทบนี่แหละอวัยวะภายในอวัยยตนะภายในสัมผัสอวยยตนะภายนอกเนี่ยกระทบกระทบอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกระทบอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดธรรมมันขึ้นอยู่กับความฉลาดของจิตของเรา ที่เราฝึกฝนอบรมว่าอันนี้แง่นี้เป็นแง่ต่อสู้กับกิเลสเราไม่จับอันนี้โร่แก้มันยังไม่ได้พิจารณาไข้ควรใจตรงมันยังไม่ได้เพียงแต่จ้องมันโร่อยู่นั่นซะก่อนเพื่อจิตมันได้รับให้จิตมันมีกําลังจนกว่าจะพลิกแปลงเห็นข้อเท็จจริงของมันแล้วก็ปล่อยเป็นอย่างๆปล่อยเป็นเรื่องๆหายสงสัยเป็นอย่างๆหายสงสัยเป็นเรื่องๆ เป็นงานข้างในเป็นงานภายในเป็นงานภาวนาเป็นงานอบรมงานอบรมย้อนเข้ามาข้างในามาอบรมย้อนเข้ามาข้างในก็ามาอบรมนี่คือหนทางที่จะทาให้จิตของเราเลิศประเสริฐเป็นสาระเป็นเก่นสารเป็นการแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย สรุปงแล้วคือเป็นการแสวงหาพระนิพพานดับสลายกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไปจากหัวใจแต่ถ้าเป็นเรื่องของการผูกพันอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมดอะไรก็ตามที่ผูกพันเราอยู่ในโลกสิ่งเหล่านั้นไร้สาระไร้แก่นสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไม่มีสาระไม่มีแก่นสารชีวิตเราทั้งชีวิต ในเมื่อเราทราบว่าสิ่งนี้เป็นแก่นสารสิ่งนี้ไม่เป็นสาระแก่นสารเราจะควรทุ่มเทกับอะไรถึงจะคุ้มค่าที่สุดในช่วงระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่จากนี้ไปอีกคนละยี่สิปีคนละ30สิปีคนละสี่สิบปีเงี้ยคนละห้าสิปีเนี่ยบางคนก็เหลือน้อยคนละสี่ปีห้าปีเนี่ยเราจะจัดการยังไงเราจะทํำยังไงที่จะให้คุ้มค่ากับชีวิตของเราเนี่ย มัจะให้เกิดแก่นสารเกิดสาระให้กับชีวิตจิตใจของเร า, อาพอสมควรกับเวลา <c oughs>